แปลว่าไม่เป็นผลดีสำหรับราชการกลุ่มนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราในฐานะเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าของสถานที่พระองค์เสด็จมาตามอัตยาศัยเป็นสวนพระองค์พวกเราก็ยินดีถือว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับวัดของเรา แต่พร้อมกันก็เนี่ยลุกสิทธิ์ลุกหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อควรจะถืออย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะหลวงพ่อถือว่าเป็นมงคลมงคลอย่างยิ่งจะหาได้ที่ไหนที่ท่านจะเสด็จคิดดูสิไม่ได้หรอกภารกิจของท่านมากมายอันนี้ท่านปลีกตัวออกมา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 ว่าการปฏิบัติของพระนี่คือจุดประสงค์นั้นคืออะไรจุดมุ่งหมายของพระสงฆ์นั่นคืออะไรทางโลกก็ให้อยู่แบบโลกทางธรรมก็ย่ให้ยอยู่อย่างธรรมอย่าเลื่อมล้ำกันอย่าก้าวกกลกันถ้าหากว่าก้าวกกลกันหรือว่าไม่ล้ำเส้นกันแล้วนะวัดนั้นสงในกลุ่มนั้นชุมชนในกลุ่มนั้นมีแต่เละตุ่มเปะอย่างอย่างเดียว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 มีความคิดอยูเออ่เราคิดว่าเรามีความคิดองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายใคราว่าการบริหารการจัดการการดูแล ก, การพูกกับคู่กับคนจะทำยังไงเราพอจะมองออกได้เพราะเรา เ, เข้าไปอยู่ใกล้องค์ลงตาเนี่ท่านทำกับกิริยายอย่างไรเรื่อว่าท่านแน่ทำสั่งสอนคนอย่างไรท่านดูดาว่ากล่าวคนอย่างไรอย่างนี้เราก็สังเกตทุกอย่าง